เขียนให้คนเป็นเทวดาเคล็ดลับและวิธีการเขียนหนังสือของคุณดังตรินอธิบายแนะนําถึงทุกแง่ทุกมุมในการที่จะเริ่มต้นเขียนหนังสือและการเป็นนักเขียนที่ดีเขียนอย่างไรให้คนอ่านได้ประโยชน์ได้ดีเปรียบเหมือนเขียนให้คนได้เป็นเทวดาเคล็ดลับที่ไม่ลับและคงหาได้ยากนักที่นักเขียนชื่อดังจะมาเผยความรู้แจกให้ฟังฟรีอ่านฟรีเช่นนี้บทความนี้ไม่ได้มีประโยชน์แต่เฉพาะผู้สนใจจะเป็นนักเขียนเท่านั้น ยังคงแฝงไปด้วยประโยชน์ข้อคิดและหลักการที่จะนำมาใช้กับชีวิตประจำวันของทุกคนได้เช่นกันเชิญรับฟังกันได้เลยครับ